ได้เรียกร้องให้ทํารงไว้ซึ่งการละหมาดและการเชื่อสัตว์พลีเพื่อการขอบคุณแดอัลลอฮ์บทนี้ได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีกับท่านรอซูลสลลลฮุอะไลยุฮัสลัลลัมด้วยการให้ความอับปยศแก่ศัตรูของท่านได้ได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชังด้วยการให้ความต่ําต้อยและการถูกเหยียดหยามและถูกตัดขาดจากความดีทั้งในโลกนี้และประโลกในขณะที่การกล่าวถึงท่านรอซูลได้ถูกยกขึ้นสูง บนหออาจารย์และมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านเป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดไปชั่วนิจนิรันต์ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงเราได้ประธานแม่นม้ำอัลเกาซัต แแก่เจ้า้าลบบวดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พลีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด